สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าแม้วัตถุทานจะบริสุทธิ์ดีเจตนาในการทำทานจะบริสุทธิ์ดีจะทำให้ทานนั้นมีผลมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญเป็นลำดับต่อไปนี้คือหนึ่งทำทานแกสัตว์เดรัจฉาน แม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่มนุษย์แม้จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยก็ตามทั้งนี้เพราะสัตว์ย่อมมีบุญวาสนาบารมีน้อยกว่ามนุษย์และสัตว์ไม่ใช่เนื้อนาบุญที่ดี 2. ให้ทานแก่มนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมวินัยแม้จะให้มากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่า ให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีลห้าแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม 3. ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีลห้าแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีลแปดแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม 4. ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีลแปดแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อย กว่าถวายทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีลสิบคือสามเณรในพระพุทธศาสนาแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 5. ถวายทานแก่สามเณรซึ่งมีศีลสิบแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานดังกล่าวแก่พระสมมติสงฆ์ซึ่งมีปาติโมกสังวร227ร้อเข้อพระด้วยกัน ก็มีคุณธรรมแตกต่างกันจึงเป็นเนื้อนาบุญที่ต่างกันบุคคลที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนามีศีลปฏิโมกข์สังวร227ข้อนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเมตตร์เรียกว่าเป็นพระแต่เป็นเพียงพระสมมุติเท่านั้นเรียกกันว่าสมมุติสง พระที่แท้จริงนั้นหมายถึงบุคคลที่บรรลุคุณธรรมตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันเป็นต้นไปไม่ว่าท่านผู้นั้นจะได้บวชหรือเป็นคารวาดก็ตามนับว่าเป็นพระทั้งสิ้นและพระด้วยกันก็มีคุณธรรมต่างกันหลายระดับชั้นจากน้อยไปหามากดังนี้คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอระหรัน พระปฏเจกกับพุทธเจ้าและสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าย่อมเป็นเนื้อนาบุญที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้หกถวายทานแก่พระสมุตติสงฆ์แม้จะมากถึงร้อยครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่พระโสดาบันแม้จะได้ถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตามความจริงยังมีการแยกเป็นพระโสดาบันปฏิมรักและพระโสดาบันปฏิผลเป็นลำดับไปจนถึงพระอระหัตผลแต่ในที่นี้จะกล่าวแต่เพียงย่นย่อเพื่อให้ได้ความเท่านั้น 7. ถวายทานแก่พระโสดาบันแม้จะมากถึงร้อยครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระสกิทาคามีแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 8. ถวายทานแก่พระสกิทาคามีแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอนาคามีแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 9. ถวายทานแก่พระอนาคามี แม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอรหันต์แม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 10. ถวายทานแก่พระอรหันต์แม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตามอ ถวายทานแก่พระปัจเจ ก, ก, กับพุทธเจ้าแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 12. ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายสังฆทาน ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะได้ถวายสังฆทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 13. การถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายวิหารทานแม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม วิหารทานได้แก่การสร้างหรือร่วมสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนศาลาโรงธรรมศาลาท่าน้ำศาลาที่พักอาศัยคนเดินทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอันหนึ่งการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสิ่งที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแม้จะไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจในพระพุทธศาสนาเช่น โรงพยาบาลโรงเรียนบ่อน้ำแท้งน้ำสาลาป้ายรถยนต์โดยสารประจำทางสุสานเมนเผาศพก็ได้บุญมากในทํานองเดียวกัน 14. การถวายวิหารทานแม้จะมากถึงร้อยครั้งหรือร้อยหลังก็ยังได้บุญน้อยกว่า การให้อภัยทานแม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตามการให้อภัยทานคือการไม่ผูกโกรธไม่อาฆาตจองเวรไม่พยาบาทคิดร้ายผู้อื่นแม้แต่ศัตรูซึ่งได้บุญกุศลแรงและสูงมากในฝ่ายทานเพราะการให้อภัยทานเป็นการบําเพ็ญเพียรเพื่อละโทศกิเลสและเป็นการเจริญเมตตาพรมวิหารธรรม อันเป็นพรหมวิหารข้อหนึ่งในพรหมวิหารสี่ให้เกิดขึ้นอันพรหมวิหารสี่นั้นเป็นคุณธรรมที่เป็นองค์ธรรมของโยคีบุคคลที่บำเพ็ญฌานและวิปัสสนาผู้ที่ทรงพรหมวิหารสี่ได้ย่อมเป็นผู้ทรงฌานซึ่งเมื่อเมตตาพรหมวิหารธรรมได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อใดก็ย่อมละเสียได้ซึ่งพยาบาท ผู้นั้นจึงจะสามารถให้อภัยทานได้การให้อภัยทานจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและยากเย็นจึงจัดเป็นทานที่สูงกว่าการให้ทานอื่นๆดังที่กล่าวมาแล้ว 15. แต่การให้ทานที่ได้บุญมากที่สุดได้แก่การ ให้ธรรมทานเพราะการให้ธรรมทานก็คือการเทศนาสั่งสอนธรรมะตลอดถึงการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานเพื่อช่วยให้ผู้อื่นที่ยังไม่รู้ได้รู้หรือที่รู้อยู่แล้วให้ได้รู้ได้เข้าใจมากยิ่งยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้กลับใจเป็นสัมมาทิฏฐิชักจูงผู้คนให้เข้ามารักษาศีลปฏิบัติธรรม จนเข้าถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดดังมีพุทธดำรดตรัสไว้ว่าสพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงอย่างไรก็ดีการให้ธรรมทานแม้จะมากเพียงใดแม้จะชนะการให้ทานอื่นๆทั้งมวลผลบุญนั้น ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าฝ่ายศีลเพราะเป็นการทำบุญบารมีคนละขั้นต่างกัน